Music องทับธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่สิบเก้าเรื่องสหัสสวะัะกับพุทธมนต์คืนวันนั้นชั m พุปริพาชิกาสาวต้องใช้ความตึงตรององย่างหนัก ปัญหาต่างๆที่ตนลองไล่เลียงภิกษุรูปนั้นดูแม้จะเป็นเพียงปัญหาตื้นๆซึ่งต้องใช้ชาวนาปฏิพาน์แต่ก็ปรากฏว่าผู้ตอบได้สำแดงความรู้เท่าชั้นเชิงโดยตลอดแถมยังย้อนในบางตอนเพื่อให้ตนยอมํำนวนต่อถ้อยคำของตนอีกแม้จะยังไม่รู้สึกหนักใจนักเพราะปัญหาสำคัญสาคัญที่นับเนื่องในศัตวักคือ แนวการโต้ตอบตั้งพันเรื่องอันตนร่ำเรียนมาจากอาจารย์ชั้นหนึ่งของปริพาชคอย่างขึ้นใจตนยังไม่ได้ยกขึ้นไล่เลียงเลยถึงอย่างไรก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้ภิกษุรูปนั้นจำนนด้วยวิชาความรู้ชั้นสูงเป็นแน่เมื่อคิดถึงความลึกซึ้งสุ ข, ขุมของปัญหาในสัตวสวาสดแล้วก็เกิดความอุ่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้แม้เช่นนั้น ก็ทำให้รู้สึกกังวลใจอยู่บ้างตามวิสัยของผู้เคยแต่ชนะครานวันรุ่งขึ้นเวลาบ่ายเมื่อชัมพูปริภาชิกาไปถึงที่นั่นหมายเกือบจะพร้อมๆกับภิกษุรูปนั้นก็ได้เห็นประชาชนไปยืนคอยกันอยู่แล้วอย่างแน่นขนาดเมื่อต่างลาในสีธนะลงและนั่งเรียบร้อยแล้วชัมพูปริภาชิกาก็กล่าวขึ้นก่อนว่า ข่าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าลองไต่ถามท่านเพียงปัญหาตื้นๆง่ายๆสําสหรับเจรจากับเด็กๆ เ, เมื่อท่านสามารถตอบได้ก็ดีแล้ววันนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มปัญหาที่ยากๆต่อไปดูก่อนปริภาชิกาก็ต้องนับว่าเป็นคราวเหมาะที่ข้าพเจ้าอาจตอบปัญหาขนาดเด็กๆของท่านได้แต่ถ้าปัญหาที่ท่าน จะถามในวันนี้กลายเป็นปัญหาสำหรับถามเด็กๆไปอีกข้าพเจ้าก็จะขอถามท่านดูบ้างเพื่อว่าบางทีท่านเดี๋ยวลองพิจารณาปัญหาของข้าพเจ้าเทียบเคียงกันดูปรากฏว่าคำตอบของภิกษุผู้สูงอายุได้ยังความสนใจให้เกิดแจ่มหาชนเป็นอันมาก ชัมพุปริพาชิกาสาวหาได้พรั่นพรึงในวาทะของพิสูนั้นประการใดไม่นางเริ่มตั้งปัญหาในศาสสวาทะทันทีท่านผู้เจริญเวททั้งสามย่อมเป็นตำราอันเก่าแก่แห่งตำราทางศาสนาแต่ละเวทนั้นท่านรู้หรือไม่ว่าต่างประกอบด้วยสามส่วนคืออะไรบ้างดูก่อนปริพาชิกา ประกอบด้วยมนด้วยพรามณะและอุปนิสัตต์มนคืออะไรพรามณะคืออะไรและอุปนิสัตต์คืออะไรม น, นั่นคือประชุมแห่งบทสวดหรือสุกตะที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังหิตาพรามณะนั้นได้แก่ศีลและวัตถเจริยาสวนอุปนิสัตตนั้นเป็นส่วนสรุปท้ายของพรามณะ เพื่อชี้แจงปัญหาหน้าคิดทั้งหลายอันต้องใช้ปัญญาบางครั้งก็มีคำกล่าวว่าเวทนั้นมีส่วนประกรอบสี่อย่างจะได้แจกอะไรบ้างดูก่อนปริภาชิกาเพิ่มอารัญยกะขึ้นส่วนหนึ่งใ น, นระหว่างพรามณะกับอุปนิสัต์ก็จะเป็นสี่ส่วนขอท่านได้โปรดชี้แจงว่าหมายถึงอะไรพรามณะนั้นส่วนใหญ่ว่าด้วยศีล และวัตรจริยาตลอดจนพิธีกรรมของฤหัตผู้ครองเรือนเมื่อผู้ครองเรือนนั้นสูงอายุแล้วออกไปบําเพ็ญพรตอยู่ในป่าก็จําเป็นต้องมีศีลและพิธีกรรมของผู้อยู่ปา่านี้เป็นส่วนที่เป็นอารันยกะซึ่งแปลว่าเนื่องด้วยป่ากล่าวอธิบายไว้และอารันยกะนี้ย่อมเป็นที่ต่อระหว่างพรามณะกับอุปนิษัตหรือจะเรียกว่าแฝงอยู่ก็ได้ คือปลายพรหมณะกับต้นอุปนิษัตเป็นอรัญญกะที่ข้าพเจ้าที่บ่ายนี้ตามที่พรามผู้รู้เวททั้งหลายสั่งสอนกันอยู่ท่านผู้เจริญเวทที่ต้นคืออีรูปเพศหรือหรือเขาเวทนั้นประกอบไปด้วยสุกตะคือบทสวดเท่าไหร่มีสโลกประมาณเท่าไหร่และเวทนี้แบ่งเป็นอะไรละเอียดลงไปอีกดูกนปริภาชิกา อิรุภเวทหรือฤาเวตนั้นมีบทสวดหรือสูกตะหนึ่งพสูกตะมีสโลประมาณ 1,600 สโลและแบ่งออกเป็น8อัตตกะหนึ่งอตกะแบ่งเป็น8อัจยายะซึ่งแบ่งออกไปอีกเป็นวากทั้งหลายและถ้าจะแบ่งเป็นมันดลละก็มีสิบมันดลละดูก่อนปริภาชิกาปัญหาเหล่านี้ จะมีประโยชน์อะไรเพราะถ้าใครเพียงจำไว้สักเล็กน้อยก็ตอบได้ทั้งนั้นชัมุปริภาชิกาสาวอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญในสตะปาถะคัมภีรามณะ กล่าวถึงเทวะไว้อย่างไรท่านมีมติในข้อนี้อย่างไรมีกล่าวไว้ว่าแท้จริงเทวะหรือเทพนั้นมีสองประเภทคือเทพโดยกำเนิดประเภทหนึ่งนักพรตผู้ศึกษาและสอนพระเวทจัดเป็นเทพหรือมนุษย์เทพอีกประเภทหนึ่งมติของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะแสดงเฉพาะมนุษย์ิธิเทพคือมนุษย์ซึ่งอาจเป็นเทวดาได้ ทั้งโดยไม่ต้องรอให้ตายซะก่อนเมื่อกล่าวตามสมมุติมนุษย์ที่อยู่รวมกันมากๆมีพระราชาปกครองมนุษย์ก็แสดงความเคารพในพระราชานั้นดุษเทบดาหรือจะเรียกว่าเทวดาโดยสมมุติก็ได้แต่พระราชานั้นนั้นทันย่อมศึกษาและปฏิบัติในธรรมของพระราชาเมื่อกล่าวตามแนวแห่งคุณธรรมครับพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อความในคัมภีรพรามณะนั้นที่ว่า นักพรตผู้ศึกษาที่สอนพระเวทจะจัดเป็นมนุษยเยเทพโดยสมบูรณ์พระพุทเจ้าเห็นว่ามนุษย์ทุกคนถ้าใครตั้งอยู่ในศีลธรรมรู้จักรายใจและรังเกียจความชั่วช้าทุจริตก็ชื่อว่าเป็นมนุษยเยเทพได้ด้วยกันทั้งสิน้นและถ้าผู้ใดตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์กายวาจาใจได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นทั้งมนุษยเยเทพ และวิสุทธิเทพการเรียนการสอนแต่ยังขาดการปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมก็หาทำให้บุคคลควรจะ ก, การเป็นมนุษยเยเทพไม่ปัญหาที่ชัมพุปริภาชิการสาวถามนั้นค่อยๆ ย, ยากขึ้นโดยลำดับแต่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาง่ายๆไปหมดภิกษุนั้นตอบโต้ได้โดยฉับพลันไม่ว่าจะเป็นปัญหาถามความจาถามความคิดหรือถามชวนปฏิพาน์ จนผู้ถามซึ่งมุ่งจะให้ได้ชัยชนะนั้นรู้สึกหนักใจยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นผู้ตอบมานานมากแล้วพระเถระจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ตอบปัญหาท่านมาก็มากแล้วบัดนี้ขอย้อนถามบ้างเพื่อฟังคําตอบของท่านดูดูก่อนปริภาชิกาถ้าเราต้องการดับทุกข์เราควรจะนิทุกข์หรือสู้หน้า กับความทุกข์ดีปริภาชิกาสาวนิ่งพรองเล็กน้อยแล้วตอบว่าเราควรจะหนีเปรียบเหมือนไฟถ้าเราไม่หนีก็จะไหม้เราและคนที่ไม่หนีก็คือคนโง่หรือคนสิ้นคิดที่ยอมให้ทุกข์หรือไฟนั้นเผาเอาเปล่าๆดูก่อนปริภาชิกาข้อที่ท่านตอบนี้บางทีอาจจะยังไม่รัดกุ่มนักขอให้ลองดูให้ดีอีกใหม่ครับพระเจ้า แต่ยังไม่กล่าวว่าท่านตอบผิดก่อนปริภาชิกานั่งคิดแล้วตอบยืนยันว่าครัพระเจ้ายืนยันคําตอบนี้และยืนยันอีกด้วยว่าคนไม่หนีคือคนโง่ดีแล้วปริภาชิกาแม้ท่านจะยืนยันเช่นนี้ครัพระเจ้าก็จะยังไม่ว่าท่านตอบผิดก่อนแต่จะขอถามท่านต่อไปอีกว่าถ้าความทุกข์มันอยู่ในตัวของท่านอยู่ในจิตใจของท่านเองแล้วท่านจะหนีไปไหน โดยไม่นำความทุกข์ติดไปด้วยปริภาชิกาสาวรีบสอนขึ้นว่าที่ข้าพระเจ้าตอบนั้นไม่เอาความทุกข์ภายนอกต่างหากเล่าดูก่อนปริภาชิกาข้าพระเจ้าได้เตือนแล้วให้ท่านตรองดูให้ดีเสียก่อนท่านเพ่งรู้จักแยกทุกข์ภายนอกทุกข์ภายในเมื่อถูกย้อนถามแล้วใช่หรือไม่เล่าเอาละข้าพระเจ้าก็จะยังไม่ว่าท่านตอบผิดหรือเป็นผู้แพ้แต่จะตั้งคาถาม ให้ท่านตอบในเรื่องนี้อีกต่อไปเป็นอันว่าถ้าทุกภายนอกเราควรหนีถ้าทุกภายในเล่าเราควรจะทำอย่างไรเราก็สู้หน้ากับความทุกข์นั้นการสู้หน้าทำให้ทุกข์ดับไปได้หรือหรือว่าจะทำอย่างไรต่อไปเราสู้หน้าแล้วเราก็หาทางดับต่อไปกระเบเจ้าอยากฟังว่าทางดับทุกข์ที่ท่านจะหาในระหว่างสู้หน้ากับความทุกข์นั้นคืออะไรนั่น ก็ต้องแล้วแต่รายละเอียดของทุกเป็นเรื่องๆไปเพราะความทุกยังมีหลายอย่างด้วยกันยังไม่มีทางวางแนวดับทุกไว้เป็นส่วนรวมบ้างหรือเพราะถึงแม้ทุกจะมีหลายอย่างมันก็น่าจะดูเป็นของแตกต่างกันเฉพาะเรื่องที่ปารกเป็นเหตุทุกแต่รวมความแล้วมันก็คือความทุกนั่นเองท่านผู้เจริญคราวนี้ท่านพลาดบางละถ้าความทุกเพราะปวดหัวและปวดท้อง เป็นความทุกอย่างเดียวกันแล้วเราก็น่าจะไม่ต้องมาปรุงยาขึ้นหลายขนาดเพราะยาแก้ปวดหัวก็ควรจะแก้ปวดท้องได้ด้วยดูก่อนปริภาชิกาทัานชลาด้วบรัตพูดให้ได้ชัยชนะพอใช้แต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อน ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านฟังคําถามดูใหม่ที่ว่าจะไม่มีทางวางแนวดับทุกไว้เป็นส่วนรวมบ้างหรือแต่ข้อนี้ก็จะยกไว้อีกเพราะข้าพเจ้าจะอธิบายท่านฟังในภายหลังจะขอซักถามท่านต่อไปในเรื่องนี้ในข้อที่ท่านว่าถ้าเป็นทุกภายนอกเราก็ควรหนีไม่ควรสู้หน้ามันสมมุติว่าหนีแล้วไปพบข้างหน้าอีกเราจะทําอย่างไร เราก็หนีต่อไปอีกจนกว่าจะไม่พบจะมีทางรับประกันได้อย่างไรว่าเราจะไม่พบความทุกข์อีกเพราะเราไม่วิธีอยู่อย่างเดียวคือการหนีก็ถ้าพบเรื่อยเืเราจะไม่ต้องหนีอยู่เรื่อยๆหรือก็ทำไมท่านจึงสมมุติให้ต้องหนีแล้วไปพบทุกอยู่เรื่อยๆเล่าก็สมมุติให้ไม่พบเสียบ้างไม่ได้หรือจะได้ไม่ต้องหนีบ่อยๆ่อยดูก่อนปริภาชิกา ก็สมมติให้ไม่มีทุกข์เสียเลยจะไม่ดีกว่าหรือจะได้ไม่ต้องหนีการที่ต้องสมมุติว่าถ้าไปพบทุกข้างหน้าอีกนั้นก็เพราะเราจะพูดกันถึงเรื่องดับทุกข์ซึ่งจะต้องมีแนวทางไว้สําหรับดับทุกข์โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะไปพบทุกข์ที่ไหนอีกเทียบด้วยแพทย์ผู้เรียนวิชารักษาโรคก็ต้องสมมติให้มีโรคอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธรรมดาถ้าสมมุติให้ไม่มีโรค ก็ไม่ต้องเรียนวิชาแพทย์เพราะไม่ต้องรักษาอะไรเป็นอันคัดพระเจ้าจะขอสรุปถามท่านใหม่ในเรื่องการดับทุกนี้ว่าลองประมวลวิธีดับมาให้คัดพระเจ้าฟังใหม่อีกเพื่อจะได้รวบรวมดูว่าคําตอบของท่านเป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเป็นทุกภายนอกเราก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือหาทางทําให้มันระงับไปถ้าเป็นความทุกภายในเราก็หาวิธีแก้ไข หรือปลอบใจตามแต่จะเหมาะสมแก่เรื่องนั้นๆเป็นอันรวมความว่าวิธีดับทุกนั้นคือไปหาทางเอาข้างหน้าเพื่อรอดูก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรใช่ไหมท่านจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่รู้สึกว่าเพียงปัญหาเรื่องการดับทุกข์เรื่องเดียวเท่านั้นท่านตั้งคําถามเสียมากมายดูก่อนปริภาชิกาท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า การตั้งปัญหาของข้าพเจ้านั้นเพื่อช่วยให้ท่านได้คิดรอบคอบในการตอบปัญหาเรื่องความดับทุกนี้เพราะในชั้นแรกท่านตอบปัญหาโดยมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะครั้นข้าพเจ้าซักเพื่อท่านคิดกว้างขวางรอบคอบขึ้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ที่จะให้ท่านตอบได้รอบคอบขึ้นดูก่อนปริภาชิกาบัดนี้ข้าพเจ้าจะเฉลยปัญหา เรื่องความดับทุกข์ให้ท่านฟังบ้างในศาสนาแห่งพระาศาสดาของข้าพเจ้าท่านได้วางหลักการไว้อย่างไรในตอนแรกที่มีปัญหาว่าในการที่จะดับทุกข์เราควรหนีหรือสู้หน้ากับความทุกข์นั้นเป็นเพียงปัญหาสอบเชา่า ให้ท่านคิดวุ่นวายว่าจะทําอย่างไรดีเท่านั้นเพราะการหนีก็ตามการสู้หน้าก็ตามเป็นเรื่องของการแย่ผลไม่ใช่แจ่เหตุบางทีก็แจ้ได้บางทีก็แจ้ไม่ได้จึงยังมิใช้วิธีที่ได้ผลโดยเด็ดขาดอย่างแท้จริงสมมุติว่าท่านหนีถ้าไปพบทุกข์เข้าข้างหน้าอีกก็จะต้องหนีอีกไม่สิ้นสุดหรือถ้าเป็นทุกข์ที่อยู่ในตัวท่านแม้ท่านจะหนีไปไหน ทุก็ย่ำติดตามตัวไปด้วยเพราะในการนี้ทุกภายในนั้นก็เท่ากับหอบเอาความทุกติดตัวไปด้วยอย่างไม่รู้สึกตัวหรือว่าท่านจะดับทุกโดวยวิธีสู้หน้ากับความทุกขโดยไม่คิดหนีเลยการสู้หน้าก็หาใช่วิธีดับทุกไม่เพราะการสู้หน้าแล้วทุกดับไปไม่ได้คนที่ไม่ยอมหนีทุกขก็คงพ้นทุกได้ทั้งหมดได้กล่าวแล้วว่าการหนีก็ตามการสู้ก็ตาม การแก้ที่ผลของทุกยึงดับทุกไม่ได้จริงจงพระบรมศ า, ศาสดาของพระพเจ้าจึงสอนว่าถ้าจะดับทุกให้ค้นให้พบว่าต้นเหตุเที่ห้ทุกนั้นเกิดคืออะไรแล้วจัดการดับเหตุนั้นเสียให้หมดสิน้นก็จะชื่อว่าแก้ไขาได้สำเร็จเพราะเมื่อตัดต้นเหตุได้ผลคือความทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกในการปฏิบัติเพื่อดับทุกเหตุของทุกนั้นสำเด็จพระบรมศาสดา ได้วางแนวทางไว้เรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางเป็นข้ออบรมปัญญาสองประการคือความเห็นชอบกับดําริชอบเป็นข้ออบรมความมีระเบียบทางกายวาจา3ประการคือกิริยาชอบกระทําชอบและเลี้ยงชีวิตชอบเป็นข้ออบรมจิตใจ3ามประการคือพยายามชอบตั้งสติชอบและตั้งใจมั่นเป็นสมาธิชอบรวมเป็นข้อปฏิบัติชอบแปดอย่าง มีไว้สำหรับปฏิบัติเพื่อตัดท้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายอันแม้จะต่างกันโดยรายละเอียดแต่ก็มีมูลรากและลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ทานองเดียวกันเรื่องที่ควรกล่าวโดยพิสดาลยังมีมากกว่านี้แต่ข้าพเจ้าจะรวบรัชชี้แจงเพียงเท่านี้ดูก่อนปริภาชิกาการที่ข้าพเจ้าจะจากท่านไปข้าพเจ้าจะขอฝากปัญหาไว้อีกข้อหนึ่ง อันเป็นพระพุทธมนตที่ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งถ้าท่านคิดได้ก็แล้วไปถ้าคิดไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะบอกให้ในภายหลังและอันหนึง่งการที่เราได้โต้อตอบกันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าท่านเป็นผู้แพ้ถึงอย่างไรก็จะขอชมเชยในความสามารถสติปัญญาความทรงจาและชาวนะปฏิพานของท่านว่าหาที่เปรียบได้ยาก ขอมหาชนผู้มาประชุมกันณที่นี้ก็ได้โปรดทราบเถิดว่าปริภาชิกาผู้นี้เป็นผู้มีความสามารถที่น่าสรรเสริญบัดนี้ก็น่าจะสมควรใจเวลาแล้วครับพระเจ้าขอลากลับไปก่อนปริภาชิกาสาวมีความรู้สึกสับสนวุ่นวายอย่างบอกไม่ถูกอัศจรรย์ใจในความรู้ความสามารถเฉียบแหลมของพระเทระผู้ตั้งปัญหาให้ตน ต้องตอบอย่างกังวลและหนักใจในระหว่างนั้นชั้นหนึ่งแล้วก่อนจะจากไปก็ยังทิ้งปัญหาไว้ให้คิดโต้ตอบโดยมีพักฟังคำตอบอีกนอกจากนั้นแทนที่จะหักหานให้ได้ละอายกลับกล่าวชมเชยยกย่องและประกาศให้มหาชนสรรเสริญนางอีกก็เลยไม่รู้จะวางตนในฐานะายดีนอกจากรู้สึกเคารพนับถือในพระเทระมหาชนทั้งหลาย ก็พากันสรรเสริญพระเิระแต่ก็ไม่มีใครเย่ะเยะเยปริภาชิการเลยเพราะเท่าที่สังเกตดูก็มีความรู้ความสามารถพอใช้ทั้งพระเิระก็ยังกล่าวชวนให้เห็นความเป็นผู้น่าสรรเสริญของนางอีกเล่าต่างก็แยกย้ายกันกลับเคหสถานแห่งตน ใครเล่าในชุมนุมชนนั้นที่ไม่รู้จักภิกษุผู้สูงอายุนั้นนอกจากปริภาชิกาคู่โตตอบและสุรเสนากบสหายทนิยะและชาวสาวถีทั้งหลายรู้จักดีว่าภิกษุรูปนั้นคือพระสารีบุตรเทราเจ้าอัครส า, าวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นผู้เคยผ่านการศึกษาศาสนาและละที่ต่าง มาอย่างมากมายแต่เมื่อมาพบพระพุทธศาสนาเห็นว่ามีสาระกว่ารัธิศาสนาอื่นก็ออกบวชพระพฤฒพรมาจรรันทร์เป็นกําลังในการประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระตถาคตเจ้าถึงกับได้ขนานพระนามว่าพระธรร ม, มเสนณรบดีแปลว่าแม่ทัพธรรมผู้เผยแผ่สันติสุขแทนการยังโลหิตอันเกิดจากการรบพุ่งชิงชัย ให้นองเลือดในที่นั้นนั้นปริภาชิกาสาวหารู้ไม่ว่าตนได้เผชิญกับแม่ทัพธรรมแห่งพระพุทธศาสนาผู้ไดเรียนรู้มาอย่างดีแล้วในไตรเพศและคำพีศาสนาทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งสติปัญญาอันแหลมหลักจึงสามารถตอบปัญหาได้อย่างคล่องคล่องว่องไวและเมื่อถึงวาระที่เป็นผู้ถามบ้างก็ถามอย่างรู้จังหวะที่จะให้ผู้ตอบอับจนตรงไหนและอย่างไร แต่กรมพันธินาปราดว่าท่านมิได้หันหักหรือสำทับนางในตอนท้ายด้วยปล่อยให้เลิกราวกันไปอย่างพอที่นางจะมองหน้าใครได้อันนี้ยิ่งแสดงให้เห็นความเป็นผู้มีใจสูงของขุนพลธรรมเสนากองทัพธรรมว่าเมื่อรู้จักเอาชนะวาระข้อโต้ตอบแล้วยังรู้จักเอาชนะทางจิตใจอีกเป็นชัยชนะที่จะไให้ผู้แพ้ไม่อับอายขายหน้า แต่กลับอยากเข้าไปกราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยความเคารพนับถือและจงรักพักดีทนิยะชวนสุรเสนะกลับคืนสูมมเกวียนด้่ความชื่นบานแต่ปริภาชิกาสาวยังคงรีบเดินไปในทิศ ท, ทาง ที่พระเถระหลีกไปเมื่อตามทันก็ค่อยๆเรียกพระเถระให้หยุดยืนเพื่อตนจะได้ถามอะไรสักเล็กน้อยพระเถระหันกลับมาและยืนสงบอยู่นางได้สแสดงคาระวะแล้วก็ถามถึงอารามที่พำนักของพระเถระว่าอยู่ณแห่งไรเมื่อทราบว่าท่านพำนักอยู่ณเชตวันมหาวิหารแล้วก็กล่าวว่า ในวันพรุ่งเวลาสายเมื่อทำพุรกิจแล้วนางจะไปหาพระเทระณเชตาวรารามนั้นแล้วนางก็ลายแยกทางไปประตูเมืองสาวัตถีปิดแล้วความมืดครอบคลุมอยู่ทั่วไปแม้จะมองเห็นแสงสว่างไฟจากบ้านเรือนหรือเสาประทีบบ้างแต่ราตรีก็คงเป็นราตรีอยู่นั่นเองที่จะให้แสงสว่างสวัยดังกลางวันนั้น ย่อมเป็นการยากความรู้สึกในจิตใจของปริภาชิกาสาวผู้ขณะนี้ผับนักอยู่ณปริภาชิการามนอกประตูเมืองสาวัตถีบางครั้งก็เสมือนมีความมืดแห่งราตรีมาปิดบังไว้บางครั้งก็สว่างสวัยเมื่อนึกว่าอาจจะได้พบแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ในวันพรุ่งปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้ว เสียงไก่ขันกระชันยามอยู่ทั่วไป